สินธรรมของพระพุทธเจ้าหรือคำพูดของครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังมีเหตุมีผลไหมหรือฟังแต่สักว่าฟังฟังเป็นครั้งครั้งฟังเป็นคราวคราวแล้วก็ศึกษาในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจุดยืน เ, ออเขาว่าอย่างไงก็ไปตามเขาเพราะเขาเป็นผู้พาว่าคนโบราณเขาว่า เสนามัคกีกาคือไม่มีจุดยืนพวกเราคงจะเคยเห็นในสมัยเด็กๆเขาเล่นลิกเก้เขาเล่นมอสลามูมีการละเล่นเขาแต่มีตัวพยามีตัวขุนพลแล้วก็มีตัวเสนาถ้ามีขุนพลก็ต้องมีเสนาตามหลังเหมือนกันอพอเส เสนาตามหลังคุ้นพลเี่เป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่าอก็สั่งลูกน้องสั่งเสนาป่อสมัยก่อนมันเป็นสมัยโบราณใช่ไหมละ่ะอสมัยโบราณเขาเรียกว่าเขาใช้ศัพท์ภาษาปากูมึงเหมือนกันอะเอาก็สั่งลูกน้องว่าถ้ากูว่ายังไงให้สูว่าตามนั้นนะ เออก็จับบริเพชรเถาบริเพชรขึ้นมานี่นะข้าววานบริเพชรนี่หวานนะหวานไหมหวานทั้งที่มันขมจนพอแรงแลง้พอจับอ้อยขึ้นมามาเกี้ยวนี่นะข้าววออ้อยเนี่ยมันขมนะเนี่ยขมไหมขมอ่อ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 จูงตามหลังเดินตามหลังเพราะสนทภายอันนี้คนโบราณเขาไม่ให้เป็นอย่างนั้นในหลักของโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้การวิเคราะห์หลักเหตุและผลไม่ใช่ว่าเจ้านายเป็นผู้ว่ายังไงลูกน้องก็ว่าตามอย่างนั้นโดยมากทุกวันนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเขาเห่อย่าง้เาเห่ไปตาม ยิ่งสื่อประโคมข่าวเหอเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเหอตามอีกแต่ตามไม่จริงเราต้องฟังเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องสองดีไหมไม่ดีถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมันมีมันมีอยู่สองเพราะนั้นเราต้องเอาสองอย่างนั่นะมาหักลบกบนี้กันมันเป็นยังไงแล้วมันออกบวกออกมาแล้วมันเป็นเท่าไหร่เสียหายกับ ได้ก็เสียหายนะั่นแหะมาบวกใส่กันดูก่อนเ อ, อมันได้กําไรขาดทุนยังไงถ้ามันขาดทุนน้อยเ อ, อ่อกำหนมันก็พอทาําเราถ้ามันขาดทุนมากเราก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลอีกเพราะนั้นหลักการอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีต้องอยู่ด้วยหลักเหตุผล อ, อ่าไม่ใช่อยู่ด้วยแบบเสนามคีกาเขาว่ายังไงก็ว่าตามเขา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 ท่านก็บอกว่ายังพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังยังไม่เชื่อก่อนเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นาไป ป, ปฏิบัติ ด, ดูถ้าถ้าหาว่าข้าพระองค์ได้นำทำคา ส, สอนของพระองค์ไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วข้าพระองค์จะกราบทูกลกราบเรียนพระเจ้าค่ะให้ใครเขาคาพูดใดก็ตามยังไม่ได้นาไปประพฤติปฏิบัติ ด, ดูก่อน ยังไม่เชื่อเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นกลางๆางก่อนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ยังเอาไว้เป็นกลางๆางก่อนจนกว่านาไปประพฤติธปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าผู้มีอานาจวาสนาเหนือกว่าพูดอะไรก็เชื่อทั้งหมดพระพุทธองค์ก็ไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชน ให้ฟังเอาไว้และก็ศึกษาไขาควรทบทวนเหตุและผลที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนมนานมาศักรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนมนานพอเขาพูดเข้ามากะอายเขาว่าคนแก่คนมาวัดมาว่าคนคือคนล้าสมัยอายเขาเราจะไปอายเขาทําไมเราไม่ได้ทําความช่วยเสียหายที่ตรงไหน เราเองเป็นผู้องค์อาจกล้ า, าหาญเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายทั้งหมดสู่เจ้าทั้งหลายกินเหล้าเมายาอัมบายมุกทุกประเภทหัวลานะ้ำไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะเอาเข้าคุกเข้าตลางเราจะมาดูถูกเหยียดย้ำที่เราประพฤติปฏิบัติดีได้อย่างไรนั่นแหละเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องกลัวใครทั้งหมด เพราะเราทำคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเราทำความชั่วนะเอออันนั้นน่ากลัวเออน่ากลัวเพราะเหตุใดเพราะความชั่วนั้นอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องโผล่มันจะต้องผุดขึ้นมาจากนั้นเขาจะคุยเขียขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็เข้าคุกเข้าตารางไปได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทาของพวกเรา สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทรทมแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเราให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้การศึกษาค้นคว้าดูหลักพระธรรมวินยัยบระสินธรรมของพระพุทธเจ้าท่านมีมีคุณค่าอย่างไรที่ท่านสั่งสอนพวกเราตั้งแต่สีนห้าอย่างนี้ยสินห้าประการถ้าว่าเสนามกคิการผู้มีอานาจเหนือกว่าเอ้ย ฆ่ามันเลยไม่เป็นไรขโมยเลยไม่เป็นไรลูกเมียใครภรรยาของใครออออลุยแหลกเลยไม่เป็นไรโกหกไปเลยไม่เป็นไรกินเหล้าไปเลยไม่เป็นไรถ้าเราเป็นเสนามากค์กากใช่ใช่แต่ถ้ามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้ว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 ในการเป็นอยู่ของพวกเราอย่าเป็นไม้ปักขี้เลนอย่าเป็นเสนามักขี้กาเขาว่ายังไงเขาว่าตามเขาไปเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะต้องมีจุดยืนสรุปแล้วให้เชื่อกลรมให้เชื่อผลของกลรมกลรมคือการกระทำทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้น อันนี้คือสรุปแล้วคือที่พูดมาทั้งหมดนี้จัดเป็นหมวดศิล์นหมวดศิล์คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิล์นส่วนหมวดธรรมนก็คือภาคปฏิบัติจิตภาวนาของพวกเราจิตภาวนาเนี่ยก็คือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งไม่ทำจิตมาให้ปุ่งฟุ้งซ่านยึดกรรมาฐานใดกรรมาฐานหนึ่ง ที่หลวงพ่อได้พูดมามากต่อมา ก, กรรมฐาน40สบอย่างอ่นอันใดอันหนึ่งทำจิตให้สงบไม่ให้ปุงถ้าคนมีจิตใจปุงฟุ้งซ่านแล้วนั่นแหละเสียสูญได้ง่ายๆเขาพูดอะไรเขาแนะนำอย่างไรเป็นเสนามมคคิกาได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าเรามีจุดยืนมีหลักยึด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 ทำที่ไหนมันก็ไม่ดีในที่รับที่แจ้งเมืองนอกเมืองนาก็มันก็ไม่ดีเพราะทำไม่ดีแต่ทำดีแล้วอยู่ที่ไหนทำดีดีหมดเพราะนั่นดีกับชัว่วเป็นยังไงถ้าเป็นภาละชนคนพานแล้วก็สรรเสริญในการทำความชัว่วแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วก็สรรเสญในการทาความดีการทำคุณงามความดีนาสุขมาให้นะ แต่คนพาพารชนเขาว่าเอา้าทำความชั่วเนี่ยร่ลำรวยนะคดกรงป้นที้ขมโมยไปเลยร่ารวยนะแต่คนผู้มีปัญญาที่คนเป็นนักปราชญ์ถึงจะร่ำรวยกับเธอแต่กรรมชั่วนั้นจะต้องเผาผลาญเมื่อภายหลังถึงจะร่ำรวยภายนอกแต่จิตใจนั้นเราร้อนนะหาความสงบพาสุขไม่ได้นะนี่แหละปราชญ์กับพารละชนเนี่ยมันเดินไปคนละเส้นทางกัน เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะภาระชนกับปราฏิไม่ใช่อยู่ที่อ ท, ที่ไหนถ้าย่นย่อเข้ามาสู่ตัวเองแล้วคือใจของเราเนี่ยนะถ้ามันคิดไปในทางชั่วอันนี้เรียกว่าภาระชนถ้าคิดไปในสู่คุณงามความดีคิดสร้างสรรค์คิดสู่คุณงามความดีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ประพฤติปฏิบัตรรริทําให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติพ่อแม่มีศีลธรรมมีจริยธรรมมีฮิลิอตตปะ มีสินห้าอยู่ในตัวนั่นแหละเป็นปราดถ้าคิดไปออกนอกลูก่นอกทางคิดเที่ยวเตรเล่ล่อนอบายยมุกทุกอย่างคิดอยากจะทําคิดอยากจะสนุกคิดไปตามตามทําตา ม, ตา ม, ตามอาเภอใจของตนเองแต่ไปในทางต่าอันนั้นเรียกว่าจิตที่เป็นภาละชนจิตที่เป็นผ่านไม่ต้องหาที่อื่นนะอยู่ในตัวของเราเนี่ะมันมีสอง ในตัวของเราในใจของเรานะ่มีสองแต่เราจะฟังทางไหนท่เนเี่เราจะฟังฟังทางดีเราจะฟังทางปาดหรือเราจะฟังทางพาลชนถ้าเราฟังพาลชนก็จมดิ่งลงไปเรื่อยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความชั่วนะั้นหนึ่งก็ดีสองก็ดีสมก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น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 จิตใจเมื่อสงบแล้วจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญถ้ามองพวกเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยมีแต่ความเชื่ออย่างอื่นคนที่มีวาทธาที่เหนือกว่าความรู้ที่เหนือกว่าการโน้มน้าวหาหลักเหตุผลแบบข้างๆคู่คูแบบทางโลกเข้ามาโน้มน้าวเราเราไรจุดยืนเราไม่มีจุดยืนใจของเราไม่หนักแน่นใจของเราไม่มีเหตุผล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 เพราะเหตุใสรุปแล้วก็คือขาดการได้ยินได้ฟังขาดการศึกษาขาดการไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของตนเองหลักขาดหลักจิตขาดหลักใจขาดหลักธรรมะในจิตใจเพราะนั้นหลักธรรมะนี่ถ้าอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทางหลายแล้วนั่นแหละใครจะพูดอะไรก็ไม่หวั่นไหวกวยแควง ไ, ไ, ไ, ไปตามเขาพราะเหตยุยเราเห็นอยู่แล้ว ถึงจะล่ำรวยเออร่ำรวยถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะเออยินดีเพราะเป็นความรู้ความฉลาดของเขาเองเขามีความสามารถจริงเขาจึงสอแสวงหาทรัพย์ได้เอออันนี้ก็คือเรายอมรับเพราะการกระทาของเขาหรือการสอแสวงหาทรัพย์ของเขานันเป็นไปด้วยธรรมเป็นไปด้วยสติปัญญาของเขาเป็นไปด้วยความรอบคอบของเขา คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้อันนี้ถูกต้องถ้าว่าเขาทําไม่ถูกเขาคดเขาโกงเขาป้นเขาจี้เขาเบียดเขาบังเขาเล่นการพนันปนจี้คนอื่นเข้ามาเราพิจารณาดูแล้วอืมอันนี้ไม่น่ายินดีเพราะว่าการกระทําของเขาเนี่ยการสะแสวงหาทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องมิการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นการเบียดเบียนคนอื่น เป็นทางที่ไม่ถูกต้องที่เขาสสแสวงหาทรัพย์สมบัติถึงจะได้มามากกว่าเออันนี้คือความไม่ถูกต้องเราไม่น่ายินดีเราไม่ยินดีกับการกระทำของเขาเพราะเหตุไรเพราะเป็นหนทางนารกชัดๆถ้าทำอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาถ้าใครทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะต้องพาเขาไปตกนรกหมกไหมไปตกทางต่าเพราะเหตุไรเพราะการกระทาของเขา ไปในทางที่ชั่วเราไม่ยินดีนี่แหละคนมีหลักจิตคนมีหลักใจต้องมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราให้หาหลักจิตหลักใจเข้าสู่ใจของตนเองให้เป็นคนมีเหตุผลจะคิดจะพูดจะทำต้องมีเหตุผลถ้าคนมีเหตุมีผลแล้วอยู่นสถานที่ใดก็มีความสงบป่มเย็นเป็นสุขลึกๆถึงจะจนก็จนมีความสุข อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานสาวกท่านอยู่ในป่าดงพงไั่ถ้าว่าท่านมีขึ้นมาเอ้าก็มีใช้ใจใช้สอยถ้าไม่มีขึ้นมาเอา้าไม่มีก็ไม่มีท่านก็อยู่แบบไม่มีอยู่แบบจนพอประทังชีวิตเป็นวันๆไปท่านก็ไปอันนี้ก็คืออยู่แบบพระนะแต่อยู่แบบฆราวาสอย่างพระนั่นก็คงไม่ได้เรามีไม้มีมือ มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้การทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความหมั่นขยนันอดทนอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายในการสอแสวงหาทรัพย์แต่ถึงยังไงขอตามถึงจะพูดยังไงขอตามเรื่องการเป็นอยู่การส่อแสวงหาทรัพย์ด้วยการส่ะแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขภายนอกอันนั้นเป็นทิ่งที่ไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าท่านหามาแล้วท่านรู้มาแล้วท่านได้มาแล้วมันมีแต่มันจะหลุดไม้หลุดเมืองออกไปเรื่อยๆมันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงในหาที่ใจเนี่ที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยอยู่ที่ป่าในป่าทั้งหกปีค้นคว้าศึกษาอยู่ที่ใจนีมันอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจจะต้องได้รับรู้ทั้งสุขทั้งทุก เพราะนั้นสุขและทุกข์มันออกไปจากใจมันออกมาได้ยังไงมันทำได้ยังไงมันคิดได้ยังไงเออมันเป็นไปได้ยังไงพระองค์ไปศึกษาคน้นควาจากนั้นท่านก็รู้ต้นเหตุแห่งสมุทยัยเหตุให้ทุกข์เกิดนั่นคือจากตัวไหนกมหรมวัฏตหาภวะวตนหาวิภาวะตนหานี่แหละเหตุให้ทุกข์เกิดจากนั้นพระองค์ก็ค้นหาต้นตอของทุกข์ที่มันเกิดออกมาจาก การวัฏฏ น, นาพระวัฏฏนาวิภวะตัณหานะจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของพระองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเป็นอนันตการนิพพานเที่ยงหลวงตามหาบัวท่านพูดให้ฟังนะว่านิพพานเที่ยงคือมันเที่ยง มันไม่แปรปวนไม่แปรผันไปไหนแต่อย่างอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความบริสุทธ์นั้นเที่ยงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายริงไหมที่หลวงตาท่านพูดก็ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติ ด, ดูอย่าไปเถียงท่านอย่าไปตามท่านที่ท่านพูดให้ปฏิบัติ ด, ดูก่อนและยังค่อยเชื่อถ้าว่าเราเชื่อไปเลยกะระจายว่าแบบเสนามัขีกาเหมือนกันนะ พวกนั้นพวกเราอย่าเป็นอย่าเป็นเสนามักกีกาทั้งฝ่ายทั้งโลกก็อย่าเป็นเสนามักกีกาเขาว่ายังไงก็ตามเขาฝ่ายธรรมะก็เหมือนกันอย่าเป็นเสนามักกีกาให้นํามาประพฤติปฏิบัติดูก่อนถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้จริงจังแล้วนั่นล่ะเราเป็นสมบัติของเราเองทีนี้ไม่ใช่สมบัติของใครเป็นสมบัติของเราต่างคนก็ต่างได้สมบัติเต็มในจิตในใจของพวกเรา ถ้าออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็ไปตามคติภูมิของตนเองถ้าว่าเราทำดีเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาทำบุญมากกว่านั้นก็ไปเกิดสวรรค์จิตใจภาวนาก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าว่าเราภาวนาจนได้สำเร็จระโสดาสกทาคานาคาอรหรันเข้าไปตามขั้นตอนของพวกเราแปลว่าพวกเราสะแสวงหาคุณงามความดีสะแสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจตามขั้นตอน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 แล้วก็มีหลักเหตุผลนํามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลที่พระพุทธองค์ได้แนะนําสั่งสอนจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ฟังเฉยๆวิเคราะห์เฉยๆนะํามาประพฤติปฏิบัติดูด้วยพอทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วพรทำหรือว่าทำที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้รู้ได้เห็นได้ ไม่ใช่ทำที่จะคาดคะเนนเดาเดาเอาคาดคะแนเ อ, เอาประมาณการเอาไม่ใช่ประมาณการยังไงก็ผิดทั้งเพไม่ใช่ว่า ผ, ผู้ใดเรียนเรียนเรียนเรียนจบแล้วกับคนนั้นได้สาเร็จเหมือนกับปริญญาตรีโทเอกไม่ใช่อันนั้นเป็นแผนที่เท่านั้นเองเมื่อเรียนแผนที่เสร็จแล้วลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบมันปล่อยวางที่ใจความรู้นะ่ะมันเหมือนสมองสมองเพียงรับรู้ แต่ใจที่ไปใช้สมองตัวนั้นมันยังโง่ อ, งอยู่เหมือนกับคนไปใช้คอมพิวเตอร์อย่างนั้นไอ้คอมพิวเตอร์มันก็รับรู้รับทรา บ, รบตามที่คนสั่งแต่คนที่สั่งน่นมันมีอะไรแฝงอยู่ในจิตในใจของผู้สั่งนั้นมันไม่เอาออกหมดตัวนั้นอะตัวที่มันคนสั่งนั่นะตัวการสำคัญแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ น, นไม่อันนี้ก็เหมือนกันความจดความจำมันอยู่ในสมองแต่คนที่ ใจลึกของหัวใจนั้นมันไม่ อ, ออกมาหม ด, ดคงจะไม่บันทึกในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคงจะไม่เอาออกมาทั้งหมดในคอมพิวเตอร์นั้นกิเลสราคะโทสะที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนอะโตวเพิ่มๆ ม, มันคงจะไม่เอาออกมาคนคนนั้นก็คงจะเก็บไว้ในหัวใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพุทธศาสนาท่านสนใจเรื่องคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั้นละ่ะ คนนั่นแหะสําคัญยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือสมองใจก็คือมาใช้คอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นหลักธรรมคาสั่งสอนของผู้ได้เจ้าถ้าพิจารณาดูแล้วสลับซับซ้อนนะแต่ก็เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาตอนนั้นเองจริงจะพิจารณาไตรตรองและดูเหตุและผลได้นะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเพราะเป็นวันนี้เป็นวันพระนานชาติทานญาติโยมจึงได้มา พร้อมกันหลายคนเพราะนั้นให้พวกเราสนใจนะอย่าประมาทนะชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะตูหนวดเอที่พวกพานําพวกเราไหว้พระกันไปแล้วเออคิวต่อไปไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นหลวงพ่อก็ได้เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ถึงจะตายกันนี่แหละ หลวงพ่อว่าตูหนวดนั้นคงไปดีเพราะเหตุไหลไยผู้เท่าก็าลักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์จุดที่ผู้เท่าจะไปก็คงจ ะ, ะระลึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลของผู้เท่าก็คงจะมีมากทีเดียวละ่ะพอรักษาศีลไหว้พระปฏิบัติมานมนานพอสมควรจะทํำยังไงได้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ไหลกัน ตามกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทก็แล้วกันอีกสักวันหนึ่งก็นั้นแห่งวีซ่ามาถึงแล้วก็ส่งเดินทางต่างประเทศตามหลังกันไปเรื่อยๆรับวีซ่าแล้วก็ไปละ่ะแล้วไปเมืองนอกจะไปยังไงเถอะถ้าเรรับวีซ่าไปตกเมืองนอกน้ำไม่มีเงินนั่นละจุดนั้นแหละที่พวกเราหน้าคิดแต่ทีนี้กูไม่มีเงินสักหน่อย เงินขนาดนี้กูไม่พอใช้แน่เนี่นนยแหะจุดนั้นแหละว่า ง, งั้นเถอะเห็นที่น่าคิดเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมเ อ, อตั้งแต่บัดนี้แหละสั่งสมคุณงามความดีเออถึงข่าวค่าแล้วเหรอนีถึงข่าวฆ่าฆ่าก็จะต้องไปตามกติธรรมคติกรรมคติของโลกเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้ล่ะมาถึงค่าแล้วเหรอก่าไปแล้ววะข้าวนี่ออบุญกุศลของข้าเต็มเปี่ยมแล้ว มั่นใจในตัวเองนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นอตอนนี้ไปรับพรนะตนนี้อนุโมทนาให้พร